4.15 นิพพานคือสันติคือความสงบวงเล็บเปิด8เมษายน2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดธรมมะจริงๆนะให้เราฝึกฝนอบรมตัวเองไปว่าหนึ่งจิตใจเราจะเข้าถึงสันติสุขสันติสุขนี่คือตัวสำคัญคนทั่วไปรู้จักแต่ความสุขอย่างอื่นไม่รู้จักสันติสุขความสุขของความสงบนี่เราไม่รู้จักเรารู้จักแต่ความสุขอย่างอื่น สุขเพราะว่าไปแย่งชิงได้อันโน้นได้อันนี้มาแล้วมีความสุขสุขเพราะได้ครอบครองสิ่งโน้นสิ่งนี้สุขเพราะได้มาความสุขที่อิงอาศัยสิ่งภายนอกความสุขที่อาศัยการแย่งชิงอย่างหนุ่มๆก็แย่งสาวรู้สึกไหมมันเป็นประเพณีของมา้าของแมวก็ทําอย่างนี้แหละเหมือนกันทีนี้สันติสุขพวกเราไม่รู้จักบางคนไม่เห็นคุณค่าด้วยซ้าไปพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มี อีกทีหนึ่งท่านบอกว่าในเครื่องหมายคำพูดนิพานนางปรมังสุขขังนิพานเป็นสุขที่สุดเป็นบรมสุขอันหนึ่งท่านบอกว่านิพานเป็นความว่างนิพานก็คือตัวสันตินั่นเองความสงบเรียกว่าอุปสมะดังนั้นถ้าเราภาวนาถึงจุดหนึ่งใจเราเข้าถึงความสงบนะความสงบที่แท้จริงมันจะมีความสุขอย่างที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขอย่างโลกโลกนั้น ได้มาแล้วก็เสียไปแย่งจริงกันเหน็ดเหนื่อยแทบตายพอได้มาแผลบเดียวเดี๋ยวก็เบื่อนะไปแย่งกันใหม่เราอยากได้ข้าวได้ของหาเงินไปซื้อมามีความสุขอยู่แผลบเดียวเดี๋ยวก็อยากได้อันอื่นอีกแล้วความสุขอย่างนี้ไม่เต็มอิ่มเราไม่รู้จักความสุขของสันติของความสงบมีหลายชื่อนะนิพพานนิพพานชื่อว่าสันติก็ได้เป็นความสงบก็ได้อุปสมะก็คือนิพพานเหมือนกัน ทีนี้ทำอย่างไรใจเราจะเข้าถึงความสงบได้นะเราก็ต้องดูก่อนว่าทำไมใจเรามันไม่มีความสงบสุขสักทีจิตใจเราไม่มีความสงบสุขสักทีเพราะจริงๆเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราที่แท้จริงเราคิดว่าไอ้นี่คือตัวเราเรารักที่สุดห่วงแหนที่สุดเราก็พยายามปนเปลมันให้มันมีความสุขมากที่สุดปนเป ล, ปลเท่าไรมันก็ไม่พอใจ อย่างร่างกายนะหาข้าวมาให้มันกินเดี๋ยวมันก็หิวอีกแล้วนะมันสกรปรกมาพามันไปอาบน้ำเดี๋ยวมันก็สกรปรกอีกแล้วปรนิบัติมันเท่าไหร่ก็ไม่จบจิตใจก็เหมือนกันปรนิบัติเท่าไหร่มันก็ไม่จบมีความอยากขึ้นมานะดิ้นรนขึ้นมาอิ่มไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาอีกแล้วเดี๋ยวก็อยากอย่างนั้นเดี๋ยวก็อยากอย่างนี้เพราะมันไม่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมันไปคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรารักมากเลยห่วงแหนมาก พระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราย้อนมาดูสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราย้อนมาดูตัวเองมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจนะจนวันหนึ่งเห็นความจริงเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงร่างกายเป็นของที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแค่นั้นเองเบื้องต้นยืมธาตุของพ่อของแม่มาใช้นะต่อไปก็อาศัยธาตุของโลกอาศัยอาหารอาศัยน้ําอาศัยอากาศเลี้ยงมันเติบโตขึ้นมา วันหนึ่งก็คืนเจ้าของเดิมคืนโลกไปถ้าเรามีสติมีปัญญาตามดูกายบ่อยๆเราเห็นความจริงอย่างนี้มันจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจออกไปโดยจะคลายความยึดถือกายก่อนมันจะคลายออกจะไม่รักไม่ห่วงแหนมากไม่ทุรนทุรายมากสบายขึ้นเยอะเลยถ้าจากนั้นก็มาดูใจของเราใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูลงไปเรื่อย มันจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราชั่วคราวทั้งหมดเห็นซ้าแล้วซ้าอีกอย่างนี้ความสุขก็ชั่วคราวแล้วจะดิ้นรนหามันทำไมความทุกข์ก็ชั่วคราวจะดิ้นรนเกลียดชังมันทำไมใจจะค่อยๆสงบไม่ยินดียินร้ายใจจะค่อยๆ ส, สงบเข้าสงบเข้าถึงจุดที่ปัญญามันแจ้งว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนถ้าแจ้งตรงนี้เมื่อไหร่นะจะปล่อยวางจิตความทุกข์จะแผ่วพานเข้ามาอีกไม่ได้แล้ว ที่สุดของทุกอยู่ตรงนี้เองตรงที่เราหมดความยึดถือจิตใจของตัวเองพอเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะจิตใจจะมีแต่ความสุขมีความสงบมีสันติมันไม่ต้องดิ้นรนแล้วมันไม่หิวแล้ว